คิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเน่วันวันหนึ่งที่เรามาทําอะไรกันอยู่เนี่ยเหมือนกับเราเอากล้องมาใช้บันทึกภาพและเสียงของเหตุการณ์ต่างๆที่เราทํากันอยู่เราพอตอนคืนเราเวลานอนหลับไอ้ภาพต่างๆที่เราบันทึกไว้มันก็จะโผล่ขึ้นมามันก็เป็นเรื่องฝันไป ท่านยังบอกว่าถ้าเราบันทึกเรื่องไม่ดีเราก็จะฝันร้ายถ้าเราบันทึกเรื่องดีเราก็จะฝันดีคือถ้าเราทํากิจกรรมที่ดีเช่นทําบุญทาทานถวายภาพป่าทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่ น, รนเราก็บันทึกภาพที่ดีเหตุการณ์ที่ดีไว้ในใจพอตอนที่คือนเรานอน เราก็จะฝันถึงเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่ดีที่เราทำมาแตาเราทำไม่ดีเราก็จะบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่ดีไว้ในใจเราแล้วเวลาเรานอนหลับเราก็จะฝันถึงเรื่องไม่ดีแล้วก็จะฝันร้ า, นายนี่คือเรื่องของจิตใจที่ไม่ได้หยุดทำงานไปกับร่างกาย ร่างกายเวลาพักผ่อนหลับนอนก็ร่างกายก็ไม่ได้ใช้ตาหูจมูกนิ้วกายใจก็เลยใช้ตาในแทนที่จะดูสดก็เลยเอาเอาภาพที่บันทึกนี้มาดูแทนเวลานี้เรากําลังบันทึกภาพสดกันอยู่แล้วมันก็จะฝังอยู่ในใจเราพอตอนคืนเราก็เอาภาพสดที่เราบันทึกนี้นี้มามาดูใหม่ เรื่มาปรุงแต่งใหม่มันมัก น, นมักจะปรุงกลับกันเหมนก็ว่าเราไปทำะไรเขาไว้รางคือเราฝันเนี่ยเราเราจะฝันว่าเขากลับมาทำเราเราไปทำความดีให้กับผู้อื่นเราก็จะฝันว่าเขามาทำความดีกับเราเราไปทำร้ายเขาเราก็จะฝันว่าเขาเข้ามาทำร้ายเรา มันก็เลยเป็นเรื่องของกรรมเ่านว่าทำบุญก็จะนอนหลับฝันดีทำบาปก็จะนอนหลับฝันร้ายแล้วถ้าร่างกายไม่ตื่นมันก็จะฝันบาปมันก็จะฝันดีฝันร้ายไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่เวลาเราไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ร่างกายนี้ตายไปใจเราก็เหมือน ก็เหมือนกันนะร่างกายมันหลับไปใจเราก็เริ่มฝันไปตามตามอำนาจของ<ม>บุญหรือบาปที่เราได้ทำเอาไว้ถ้าบาปมีกําลังมากกว่ามันก็จะฝันร้ายไปเรื่อยๆก็จะเป็นฝันเป็นแบบเป็นเปรดบ้างฝันแบบเป็นผีบ้างฝันแบบไปตกนรกบ้างนี่คือสภาพจิตใจที่หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว เรื่อร่างกายนอนหลับเพียงแต่ว่าเวลาตายไปนี่มันหลับนานหน่อยหลับไปจะมาตื่นอีกทีก็เมื่อได้ร่างกายัใหม่เวลาคลอดออกจากท้องแม่ออกมาก็ตื่นขึ้นมาแล้วตอนนั้นก็ได้ร่างกายอใหม่แต่ช่วงที่เราได้ร่างกายใหม่นี่มันก็จะเหมือนนอนหลับฝันไปแต่มันจะฝันยาวแล้วแต่บุญแต่บาปที่มันทำไว้มันมีกาลังมากน้อยเท่าไหร่ มันก็จะใช้เรื่องราวต่างๆที่เราได้เคยไปทำมานี่ใช้เป็นยุการมันจะหมดหมดแล้วมันก็จะได้กลับมาเกิดใหม่มาตื่นพอเวลาออกจากท้องแม่ก็เหมือนดึตงตาเลยตื่นขึ้นใหม่ตื่นด้วยร่างกายอันใหม่แต่จิตใจยังเป็นคนเก่าอยู่ความรู้สึกนึกคิดของเรายัางเหมือนเดิมอยู่ เราเราเคยลักเคยชอบอะไรเรา ถ, ถนัดมือซ้ายมือขวานี่มันก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมอยู่เรียนเดีมาเรียนรู้เรื่องใหม่ภาษาใหม่ไปเกิดในในชาติภาษานั้นเขาใช้ภาษาอย่างนั้นก็ต้องมาเรียนภาษาใหม่ชาติก่อนเราอาจจะเป็นฝรั่งชาตินี้มาเกิดเป็นคนไทยพอมาเกิดเป็นคนไทยก็มาเรียนภาษาใหม่ มาเรียนรู้ใหม่ในเฉพาะเเกี่ยวกับเรื่องที่เราเราอยู่ในสังคมนั้นสังคมนั้นเ็ามีพมีก ฎ, กฎระเบียบมีอะไรต่างๆแล้วก็เรียนรู้ไปอันนี้มาเรียนใหม่แต่สิ่งที่เราไม่เรียนใหม่ก็คือความโลภความโกรธความหลงไม่ต้องเรียนโลภเหมือนเดิมโกรธเห ม, มือนเดิมหลงเหมือนเดิมเหมือนเดิมชังเหมือนเดิม กลเหมือนเดิมหลงเหมือนเดิมเห็นอะไรที่เคยรักก็จะรักทันทีเห็นอะไรที่เคยชังก็จะชังทันทีใช่ไหมี่ขับอกให้รักให้ชังใช่ไหมตอนเรเห็นอะไรที่เราเคยรักเราก็จะรักเห็นอะไรที่เราเคยชังเราก็จะชังเห็นอะไรที่เรากัดตัวเราก็จะกลัวคนที่กลัวงูนี่พอเจองูก็จะกลัวขึ้นมาทันทีคนที่กลัว สุนัพอเจอสุนัข ก, ก็จะกลัวขึ้นมาทีอันนี้มันเป็นฝังอยู่ในใจเราเราเป็นคนคนเก่าเพียงแต่เปลี่ยนร่างกายใหม่ก็เปรียบเทียบก็เหมือนกับเราเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เราเปลี่ยนชุดใหม่แต่คนคนที่เสวมเสื้อผ้านี้ก็ชุดเดิมคนเดิมนิสัยใจคอเหมือนเดิมเคยชอบกินเล่า ก, ก็กินต่อไปเคยชอบเที่ยวก็เที่ย ว, ยวต่อไปเคยชอบเข้าวัดก็จะเข้าวัด คนเราจึงมีอัตยาศัยนิสัยใจคอไม่เหมือนกัน แ, แม้จะมาเกิดกับพ่อแม่คนเดียวกันหน้าตาอตาจจะเหมือนกันอาจจะเป็นฝาแฝดแต่นิสัยใจคอจะไม่เหมือนกันเพราะมาจากคนละที่กันเป็นคนคนคนหนึ่งเคยชอบเข้าวัดก็ก็จะเข้าวัดคนชอบเที่ยวก็จะไปเที่ยว เปนฝาแฝนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องบวชพร้อมกันไปเที่ยวพร้อมกันแต่ก็อาจจะมีบางครัง้งบางคราวอาจจะมีนิสัยคล้ายคลึงกันก็ได้เคอาจจะอาจจะเคยชอบเข้าวัดด้วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นเพราะว่ามาจากพ่อแม่คนเดียวกันแต่ว่าพอดีมีอัธยาศัยใจคอคล้ายคลึงกันแล้วได้มาเกิดพร้อมพร้อมกันอันนั้นก็เป็นไปได้ มันก็เป็นไปได้ว่าต่างคนต่างมี น, นิสัยใจคอไม่เหมือนกันเลยคนชอบไปทำบุญคนชอบไปทำบาปเพราะว่าจิตใจของเรามันไม่เปลี่ยนไปกับการเปลี่ยนร่างกายการที่เราจะเปลี่ยนจิตใจของเรานี้เราต้องมาเปลี่ยนด้วยตัวเราเองเช่นเราเราเราเราชอบทำบาปแล้วเรา ได้มาศึกษามาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วท่านแสดงโทษของการทำบาปว่ามันจะทำให้เราทุกข์ทำให้เราต้องไปเกิดนับายแล้วเรามีความกลัวเราไม่อยากที่จะไปรับโทษเราก็มาเปลี่ยนพฤติกรรมเราได้เวลาที่เราจะทำบาปเราก็ยับยั้งเสียฝืนเสียเวลาที่จะดื่มสุราเราก็ยับยั้งเสียถ้าเรา ถ้าเราทำได้ต่อไปเราก็จะได้นิสัยใหม่ขึ้นมานิสัยที่ไม่ชอบทำบาป น, นิสัยที่ไม่ชอบเดิมซุลาแล้วพฤติกรรมของเราก็จะเปลี่ยนไปผลของของวิบากของผลของกางรกระทาของเราก็จะเปลี่ยนไปเราก็จะฝันดีมากขึ้นถ้าเราทำบาปมากเราก็จะฝันร้ายมากพอเราหยุดทำบาฝันร้ายก็จะหายไป นะความฝันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของจิตใจจิตใจนี้อยู่อีกโลกหนึ่งที่เราเรียกว่าโลกทิพยนะ์ร่างกายนี้อยู่ในโลกนี้เรียกว่าโลกกาธาตุโลกกาธาตุคือโลกนี้ประกอบด้วยาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทามาจากดินน้าลมไฟแล้วจิตนี้ซึ่งอยู่อีกโลกหนึ่งคือโลกทิพย์นีเหมือนกับส่งกระแสมา มาเกาะติดกับร่างกายนี้แล้วก็มารับข้อมูลจากตาหูจมูกลิ้นกายตัวจิตเองไม่ได้มาอยู่ในโลกนี้ตัวจิตได้อยู่ในโลกทิพย์อยู่คนละโลกกันแต่สามารถเชื่อมต่อด้วยกระแสกระแสจิตที่เราเรียกว่าวิญญาณทั้ง5้าอวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายจากขวิญญาณ อ, า อ, าอะไร จกักระก็าตาวิญญาณทางตาทางหูแล้วก็มีชื่อเนี่ยมีอยู่5อ่าจิตเลรับรู้เหตุการณ์ต่างๆผ่านทางร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปเนี่ยกล้องที่ถ่ายแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้คุณสามารถตอนนี้ส่งข้อมูลไปให้เพื่อนที่อยู่ที่หนึ่งได้แต่เมื่อถ้าเขาไม่ได้มาแล้วเขาอยากจะรับรู้เหตุการณ์ต่างๆคุณก็เอากล้องเนี่ยมาถ่าย แล้วก็เขาก็มีเครื่องรับคนก็ส่งสัญญาณไปให้เขาเขาก็รับรู้เรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เรากําลังทำอยู่ที่ตรงนี้โดยที่ตัวเขาเองไม่ได้มาไม่ได้อยู่ที่นี่จิตก็เหมือนกันจิตไม่ได้มาที่นีจ่จิตเพียงแต่ใช้กระแสกระแสวิญญาณรับรู้มามาเชื่อมกับตาหูจมูกลิ้นกายของเราของน้างกาย แล้วก็ให้ร่างกายนี้สั่งให้ร่างกายอยากจะดูอะไรก็สั่งให้พาให้ไปดูอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรก็สั่งให้ร่างกายนี้พาไปทำแต่ตัวที่ทำก็คือร่างกายคือตัวที่ได้รับประทานอาหารดื่มน้ำก็ร่างกายเป็นผู้ดื่มแต่ใจเป็นเพียงผู้รับรู้ความรู้สึกที่เกิดจากการดื่มใช่ไมเวลาดื่มน้าแล้วเวลาไม่ได้ดื่มน้ำมันกระหาย ใจก็รับรู้ว่าร่างกายมีความกระหายน้ําพอได้ดื่มน้ําก็รับรู้ว่าความกระหายน้ํานั้นหายไปละ้วใ จ, ใจเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้เท่านั้นเองแต่ใจเนื่องจากมีความหลงหลงมาคิดว่าตนเองเป็นร่างกายก็เลยไปมีความรู้สึกดีใจเสียใจไปกับเรื่องของร่างกาย เวลาร่างกายไม่สบายก็ไปเสียใจไปกับร่างกายเวลาร่างกายมีความสุขก็ไปดีใจกับความสุขของร่างกายทั้งๆที่ตัวใจเองนั้นไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่กลับไปดีใจเสียใจไปกับความสุขความทุกข์ของร่างกายเหมือนเราดูภาพยนตร์เนี่ยเราไปดีใจเสียใจกับดาราภาพยนตร์ที่เรากำลังดูอยู่ในจอหวาดเสียวแทนเขา ถ้าเป็นภาพยนตร์ผีเนี่ยเวลาเขาถูกผีหลอกผียังมากินเาเนี่ยเราก็เสียวไปกับเขานั่นที่เราเป็นเพียงคนดูผีไม่ได้สามารถมาทําอะไรคนดูได้ใช่ไหมแต่คนดูกลับไม่อยากจะดูบางทีหลับตาเพาเสียวแทนแทนคนแสดงแต่ถ้าเรามีสติตั้งแต่ตอนต้นเราดูหนังว่าให้เป็นเพียงหนังดูไปไม่มีอะไรหรอกม มันหลอกเราของหลอกเราดงนั้นมันไม่ได้มาทำอะไรเราหรอกเราก็จะดูแบบไม่มีอารมณ์ก็ได้ถ้าดูแบบไม่มีอารมณ์มันก็ดูเฉยๆเนี่ยตอนนี้จิตของเรามันดูแบบมีอารมณ์มีอารมณ์หลงไปคิดว่าร่างกายเป็นตนแล้วเวลาร่างกายเป็นอะไรก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่อยากจะให้ร่างกายเป็นอะไรอยากจะให้ร่างกายแข็งแรงอยากจะให้ร่างกาย อายุยืนยาวนานไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายอยากจะใช้ร่างกายพาไปดูภาพไปฟังเสียงเวลาได้ใช้ร่างกายทําตามที่ใจอยากได้ใจก็มีความสุขเวลาที่ต้องการจะใช้ร่างกายให้ทอะไรแล้วทำไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาไม่สบายนีย่จะสั่งให้ร่างกายพาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ มันก็ไม่ไปไปไม่ไหวตอนนั้นก็ใจก็ไม่สบายเพราะไม่ได้ไม่ได้รับความสุขผ่านทางร่างกายนี่คือเรื่องของใจของพวกเราที่มาหลงใช้ร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการพาเราไปหาความสุขต่างๆแต่ร่างกายมันก็มีขอบเขตมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพออยู่ในช่วงแก่เจ็บตายนี้ใจก็ไม่ชอบแล้ว เพราะไม่สามารถทำอะไรได้เหมือนกับสมัยที่มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วความความไม่สบายใจของใจก็เกิดจากความอยากของใจเองที่อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้าใจเป็นใจที่ฉลาดที่รู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขก็ได้ใจสามารถมีความสุข ในตัวของตัวเองได้ใจก็ไม่ต้องมีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอไม่มีความอยากใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะเหมือนคนดูภาพยนตร์ะเอคนดูภาพยนตร์รู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แสดงไม่ได้เป็นภาพที่อยู่บนจอเพราะภาพที่อยู่บนจอมันจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ไปไปอยากกับมันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน ถ้าเราก็อยากให้พระเอกนางเอกพบกันเราไม่ตายแต่พอหนังมันจบพระเอกนางเอกตายเราก็เสียใจเพราะว่าเราเราอยากจะให้เขาไม่ตายแต่ถ้าเราดูว่ามันแค่หนังมันจะตายหรือไม่ตายมันก็ไม่เกี่ยวกับเราเราก็จะไม่ทุกข์ตอนนี้เราไปหลงคิดว่าร่างกายนี้มันเกี่ยวกับเร <for everyone, S 2> <medim> าคิดว่าเป็นตัวเราของเราพอมันเป็นตัวเราของเราเราก็เลยอยากให้มัน ดีอยากจะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเวลามันเจอความแก่ความเจ็บความตายมันก็เลยทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าเนี่ยมาทรงมาตัดสั้แยกใจออกจากร่างกายได้อใจเป็นอย่างหนึ่งร่างกายเป็นอย่างหนึ่งเป็นคนสองคนใจเป็นนายกายเป็นบ่าวกายเป็นเพียงผู้มารับใช้ใจให้ทําภารกิจต่างๆ เนื่องจากว่าใจมีความหลงไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงของนั้นอยู่ที่ไหนก็ <c oughs> เลยไปคิดว่าความสุขอยู่ที่การได้ใช้ร่างกายพาไปหาภาพหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วพอร่างกายไม่สามารถตอบสนองความต้องการของใจได้ใจก็ทุกข์เช่นอยากจะไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปรู้สึกยังไงเสียใจั้ย เหงาไม่เวลาอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้ไปกับเพื่อนฝูง mm hmm. เพื่อนฝูงก็ไปเที่ยวเฮฮากันแต่เราต้องอยู่บ้านคนเดียวนี mm ่ hmm. ที่เหงาเพราะความอยากไปมันเลยทำให้เราเหงา mm hmm. แต่ถ้าเราเรารู้ว่าความสุขของใจนี้สามารถมีได้โดยที่ไม่ต้องเที่ยวไม่ต้องมีร่างกาย mm hmm. แ, ตแต่เราต้องหยุดความอยากทำใจให้สงบให้ได้ ความอยากนี่นะที่ทำให้ใจเราเหงาที่ทำให้ใจเรารู้สึกว่าเราขาดนู่นขาดนี่ไม่มีความสุขในตัวเราถ้าเราหยุดความอยากนี้ได้ความรู้สึกที่ว่าเราขาดนู่นขาดนี่มันจะหายไปแล้วเราจะเกิดความสุขขึ้นมานี่คือวิธีหาความสุขภายในใจด้วยการหยุดความอยากวิธีที่ง่ายที่สุดคือการทำสมาธิมันมีสองวิธี วิธีแรกเรียทําสมาธิอันนี้หยุดความอยากได้ชั่วข่าวและถ้าอยากจะหยุดความอยากถาวรก็เ ร, เรียกว่าปัญญาหรือวิปัสสนามีสองขั้นตอนแต่ขั้นตอนแรกมันง่ายกว่าขั้นตอนที่สองเราจึงต้องใช้ขั้นตอนแรกหยุดความอยากเพื่อเราจะได้พบกับความสุขภายในตัวเราเมื่อเราพบความสุขแล้วเราจะได้รู้ว่าเราไม่ต้องใช้ร่างกายอ พาเราไปทำอะไรต่างๆแล้วเราก็จะได้เลิกพึ่งร่างกายได้ต่อไปร่างกายจะเจ็บจะแก่จะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องมีความอยากที่ต้องใช้ร่างกายเราก็จะไม่ต้องมีความอยากไม่ให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ปล่อยมันไปได้ในเรื่องของใจ ใจนี้อยู่โลกทิพย์ตลอดเวลาไม่เคยจะอยู่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้เลยดงนั้นโลกนี้ต่อให้ลลกระเบิดนิวเคลียร์ลงมานี้มันก็ทำลายได้แต่สิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้แต่ใจมันก็ยังไม่ได้ถูกทำลายไปใจก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมยังได้ขาดการติดต่อพอตาหูจมูกลิ้นกายถูกทำลายไปหมดใจก็ไม่สามารถรับรู้เหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ได้ ใจก็ฝันไปถ้ายังมีความอยากอยู่มันก็จะฝันไปดูของสดไม่ได้ก็ดูของที่อัดเพลทเอาไว้แต่ถ้าใจตรัดความอยากได้หมดด้วยปัญญาใจก็ยังไม่ฝันเพราะใจจะไม่ไม่อยากดูอยากฟังอยากอะไรละใจมีความสุขกับอยู่กับความว่างพระเจ้าบอกนิบานังปรมังสุญังความ ความว่างนี่นะเป็นพระนิพพานแล้วก็เป็นความสุขอย่างยิ่งนิบานังปละมังสุขทั้งเป็นบร ม, มสุขนี่คือจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านทำลายความอยากภายในใจให้หมดไปได้ท่านเลยตัดความเชื่อมสัมพันธ์ต่อร่างกายได้ไม่ต้องพึ่งพาร่างกายแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพา เหตุการณ์ต่างๆที่ได้ทํามาแล้วบันทึกไว้ไม่ฝันไม่ฝันดีไม่ฝันร้ายใจจะว่างใจนี้ไม่มีเรื่องราวต่างๆเป็นนิพพานไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดเพราะใจนี้ไม่มีวันตายใจก็จะว่างจะสุขไปตลอดนิพพานังพลังังสุนยังนิพพานังพลังังสุ ข, ขัง ใจที่ว่างจากเรื่องราวต่างๆเป็นใจที่มีความสุขมากเพราะเรื่องราวต่างๆนี้มันมีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์สลับกันไปถ้าเราไปยุ่งกับมันเราไปควบคุมมันไม่ได้มันจะมีขั้นตอนของมันที่มันจะเป็นไปเพราะเราได้สะสมภาพที่ดีและภาพที่ไม่ดีเหตุการณ์ที่ดีและไม่ดีปนกันมาอยู่ มันก็จะสลับฉากกันออกมาแสดงผลแปลว่าดวงวิญญาณ น, นั้นถ้าเกิดได้ผ่านกระบวนการทำให้มันอย่างเมื่อสักครู่ท่านว่ามันมั น, มนหมดพลังแบรนี้ออแล้ว ก, า, วกายนี้นะมนไม่อยู่แล้วพอปไปไปไปหาที่ห า, าล่างใหม่ให้สิ่งที่ดีงานนี้จะไอยู่ในร่างใหม่ หมายถึงใจที่ยังไม่ได้หลุดพ้นใช่ไหมที่หลุดพ้นแล้วหก็ไม่มีร่างใหม่แล้วไม่กลับมาเกิดใหม่พระพุทธเจ้าไม่กลับมาเกิดแล้ ว, ล ว, ไ, มลมลวไม่มีร่างกายใหม่ต่อไปถ้ายังไม่ถึงกับหลุดพ้นนี่เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเป็นพระโสดาบันก็ยังกลับมาเกิดอีกเจดชาติตอนอย่างมากก็แปลว่าร่างใหม่ก็ยังมีก็ยังยังมีกิเลสยังมีมีความอยากอยู่น้อยสิ่งดีงามตรงนี้ก็ไปก็ติดมาทั้งความดีงามและความไม่ดีงามแต่สําหรับพระโสดาบันนี้ ท่านมีความดีงามมากกว่าความไม่ดีงามจกนกระทั่งทำให้ท่านไม่ต้องไปฝันรายเพราะโสดาบันนี้ปิดประตูบายได้จะไม่ไม่ฝันไปเป็นเปรตไปเป็นนรกไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นอะไร ที่ปัจจุบันหฝันไปถึงอดีตหรืออะไรยังไงนะเพราะว่าอันนั้นก็ อ, อยู่กับกรบวนการของใจของกระบวนการของบุญของบาปที่ได้ทำไว้ก็เหมือนเหมือนตายเนอเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ตายคนที่หมดสติทางร่างกายไปเนี่ยเช่นอาจจะนอนอยู่แต่ยังมีลมหายใจอยู่จิตก็เหมือนกับ น, นอนหลับไปร่างกายก็เหมือนนอนหลับไปจิตก็เหมือนคนที่ฝันไปเพียงแต่ว่ายังไม่ ยังไม่ยังไม่ได้ทิ้งร่างกายไปถ้าเกิดมันดีคนดีร่างกายฟื้นขึ้นมาจิตก็จะหยุดฝันแล้วก็กลับมามามารับรู้เรื่องเหตุการณ์สดใหม่มก็เหมือนกันนะอ่ะเข้าไปฝันระหั่งที่แม่ฝันเห็นในสิงที่ที่เหมือนจะเป็นกรรมของแม่อดีอะไรอย่างนี้แล้วพอตื่นขึ้นมาเนี่ยรับรู้ก็จะมีความรู้สึกแล้วแต่ว่ า, าทําดีกรรชั่วที่ทําไว้เท่านั้นค่ะ เรบางคนเหมือนเราเห็นจำพวกก็จะหล บ, บกลัวอะไรอย่างนี้ใช่บางคนก็พอตื่นขึ้นมาจําได้ว่าฝันอะไรก็เลยเปลี่ยนพฤติกรรมของตนว่าโอ้เราไปทําบาปมาเราถึงได้รับผลนี้ต่อไปนี้เราไม่ทําดีกว่าก็บางครั้งการฝันร้ายของเราก็อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้รับการสั่งถอนเรื่องเรื่องบุญเรื่องบาปหรือเปล่าว่า สิ่งที่เราฝันนี่มันเกิดจากการทําบุญหรือทําบาปของเราถ้าไม่มีความฝันอย่างคนถ้าไม่มีคนสอนอย่างประเทศที่ไม่มีศาสนาเขาก็ไม่รู้ว่าความฝันของเขานี้เกิดจากอะไรเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาอาจจะไม่ไปทําอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรกับสิ่งที่เขารับรู้แต่ทางพุทธเรานี่เราสอนว่าบุญบาปมีนะทําบาปแล้วก็จะต้องรับผลบาป ทำบุญก็จะรับผลบุญสมมติว่าถ้าเรานอนหลับเราฝันดีฝันว่าเราได้ไปเที่ยวสวรรค์ชั้นนู่นชั้นนี้พอเราตืงขึ้นมาเราก็จะเห็นน้นที่สองของการทําบุญว่าเออทำบุญแล้วมันดีอย่างนี้ก็จะทําให้เราชอบทําบุญถ้าเราฝันร้ายเราก็จะกลัวบาปกันแต่ถ้าไม่มีใครสอนเรื่องบุญเรื่องบาปเลยก็จะไม่รู้ว่าบุญกับบาปนี่มันทําให้เกิดผลก็คือความฝันนี่ ฝันดีแล้วฝันร้ายนี้ก็จะไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรกับความฝันที่เราได้รับได้ได้ได้ฝันถึงถื่ขึ้นมาแล้วก็ลืมมันไปแล้วก็ทําพฤติกรรมตามเดิมตามนิสัยเดิมเคยทําบาปก็ทําบาปต่อไปเคยทําบุญก็ทําบุญต่อไปอันนี้แต่ถ้ามีอะไรมาเชื่อมโยงให้ทราบว่านี่แหละทําบุญแล้วจะฝันจะได้ผลอย่างนี้ทําบาปแล้วจะได้ผลอย่างนี้ มันก็จะทำให้เรากลัวบาปแล้วอยากทำบุญได้ไม่มีอะไรนะเลงนั้นคำสอนพระเจ้าจาึงสอนให้เราทำบุญละบาปแล้วก็กำจัดความอยากเป็นสามขั้นตอนของของการพัฒนานจิตใจ อันแรกก็ให้ฝันดีทำบุญทำบุญละบาปก็คือไม่ให้ไม่ให้ทำไม่ให้ฝันร้ายทำบุญละบาบเราก็จะฝันดีแล้วถ้าเราต้องการที่จะไม่กลับมาเกิดเราก็ทำละใจของเราให้สะอาดใจที่ไม่สะอาดก็เพราะความโลกความโกรธความหลง้วยความอยากจถ้าเรากำจัดความอยากเหล่า น, นี้ได้เราก็จะไม่ต้อง กลัมาเกิดม่แล้วขบวนการของการกําจัดความอยากก็คือสมถะวิปัสสนาภาวนาสมาธิปัญญาอันแรกก็ทําใจให้สงบใจสงบแล้วก็จะหยุดความอยากได้ชั่วคราวพอจากความสงบมาก็เริ่มเห็นเรื่องเริ่มรับรูบ้เรื่องราวต่างๆก็จะเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาเข้ามาสอนว่า การทำตามความอยากนี้เป็นการไปสร้างความทุกข์เราะเวลาอยานอกน้อใจเราก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วรู้สึกว่าฐานอะไรไปแล้วสงครามรู้สึกที่เกิดจากความอยากแทนที่เราจะไปทำตามความอยากแล้วคิดว่าเราจะได้รู้สึกอิ่มรู้สึกพอมันไม่ใช่ทำความอยากเท่าไหร่มันก็จะได้ความอิ่มความพอชั่วเดียวเดียวแล้วความอยากนี้มันก็จะกลับมาใหม่ วิธีที่จะทำให้มันอิ่มพออย่างแท้จริงก็คือต้องไม่ทำตามความอยากต้องหยุดความอยากพอเราหยุดความอยากได้ความอิ่มความพอมันก็จะเกิดขึ้นมาแล้วความอยากมันก็จะหายไปมันจะไม่กลับมาแต่ถ้าเราทำตามความอยากมันก็จะเหมือนกับส่งเสริมให้เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาคนที่อยากสูบบุหรี่เนี้ยเวลาอยากสูบบุหรี่ก็ต้องสูบ พอสูบแล้วความอยากสูบบุหรีก็หายไปชั่วคราวก็รู้สึกสบายได้สูบแล้วสบายเดี๋ยวไม่นานความอยากจะสูบบุหรี่มวนใหม่ก็โผล่ขึ้นมาม่พออยากสูบไม่ได้สูบก็จะทุกข์ก็ต้องสูบแต่ถ้าฝืนถ้าหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็หายไปแล้วต่อไปความอยากก็จะไม่กลับขึ้นมาใหม่ ค, คำ า, คคามบริสุทธิ์ก็ไป หลายคิดว่าร้อยทั้งร้อยพเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเนี่ยจะไม่รู้วิธีว่าทําไงถึงจะลดอับความอยากได้นั่นแหละมีพระพุทธเจ้าพเพียงองเดียวนี่ยก่อนหน้านั้นก็ไม่มีใครรู้พระพุทจาไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆเขาก็สอนได้เพียงแต่หยุดความอยากด้วยการทําสมาธิแต่พอจากสมาธิมานี้ไม่รู้จะหยุดความอยากยังไงทุกคนพอเจอความอยากแล้วใจมัน เหมือนกับเทียนไขเจอไฟนี้มันอ่อนไปหมดต้องไปทําตามความอยากแล้วมันถึงจะสบายอสบายเดียวเดียวใช่ไหเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องใช้ปัญญาให้เห็นโทษของการทําตามความอยากว่ามันจะพาเราไปสู่ความอยากแบบไม่มีสิน้นไม่มีสุดอยากไปเรื่อยๆวิธีที่จะหยุดความอยากก็ต้องไม่ทาตามความอยาก ด้วยการพิจารณาถึงสิ่งที่เราไปทำนั้นมันจะทาให้เราเกิดความทุกข์มากขึ้นไม่ใช่เกิดความสุขมากขึ้นเช่นเราอยากได้อะไรเนี่ยพอเราได้สิ่งที่เราอยากได้มาเราก็จะต้องมาทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาเพราะเราต้องดูแลรักษามันแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมันไม่ถาวรมันดีขึ้นดีมันก็จะจากเราไปได้พอมันจากเราไปเราก็ต้องทุกข์อีก ทุกมากกว่าตอนที่เราไม่มีสิตอนที่เราไม่มีตอนนี้เราไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่หรอกแต่ตอนที่เราได้มาแล้วเราเสียไปเนี่ยมันจะทุกมากกว่าใช่ไหมสมมติอตอนนี้คุณอยู่คนเดียวเป็นโซนเนี่ยคุณอาจจะทุกข์เพราะเหงาไม่มีเพื่อนไม่มีแฟนเดี๋ยวคุณไปได้แฟนมาแล้วคุณหลงรักเขามากเนี่ยพอเกิดเขาจากคุณไปเนี่ยบางทีคุณทุกจะจนห้างไม่อยากจะอยู่ก็ได้อยากจะฆ่าตัวตายตามเขาไปก็ได้ ต้องเห็นโทษของมันนี่เห็นโทษของการทําตามความอยากว่ามันจะนําไปสู่ความทุกข์มากกว่าที่เป็นอยู่ทุกข์ที่มากกว่าที่เกิดจากทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี่มืนคนที่อยากจะเลิกสุราเลิกบุหรี่เนี่ความเวลาอยากจะสูบ น, นี่ยมันทุกข์มากแต่ถ้ายอมอดยอมทนทุกข์ดีกว่าเดี๋ยวพอความอยากหายไปแล้วทุกข์มันก็จะหายไป แล้วต่อไปก็จะไม่ไม่อยากไม่ต้องไม่มีความอยากจะสู่บุรีต่อไปแล้วก็จะไม่มีความทุกข์กับเรื่องการสู่บุหร่แต่ต้องยอมทนทุกข์หน่อยแต่ถ้าเรามีสมาธิเราก็ใช้สมาธิเป็นเครื่องช่วยก็ะดาเครื่องบรรเทาความทุกข์เวลาอยากจะสู่บุหรี่เราก็นั่งเข้าสมาธิไปความความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หายไป แล้วเราก็ไม่ไปทำเราก็ไม่ไปสูบบุหรี่ต่อไปความอยากจะสูบบุหรี่มันก็หายไปมันไม่โผลขึ้นมาเช่นเดียวกับทุกอย่างอยากไปเที่ยวอยากมีแฟนอยากถ้าทำอะไรนะ้นถ้าคุณมีสมาธิแล้วก็มีปัญญานี้คุณสามารถกาจัดมันได้ต้องมีปัญญาด้วยจะ ต, ต้องรู้ว่าทำไมเราไม่ทำตามความอยากเพราะว่ามันนำไปสู่ความทุกข์มากกว่าขางนำไปสู่ความสุขเราได้ความสุขในเบื้องต้นเช่นเราอยากไปเที่ยวแล้วก็ได ความสุขเวลาไปเที่ยวแต่พอเราไม่พอเราอยากก็ไม่ได้ไปเที่ยวเราก็จะทุกข์เพราะมันต้องมีวันหนึ่งที่เราไปไม่ได้เนะี่ยอาจจะไม่สบายอาจจะพิการพี่การอย่างเมื่อวานี้มีคนมาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นอามาพึกออมตภาคขึ้นมาภรรยาก็ทิ้งเขาเขาก็อยากจะฆ่าตัวตายนั่นก็เป็นเพราะว่าเรา ทำตามความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพาเราไปทําตามความอยากต่างๆพ อ, อเวลาที่ร่างกายไม่สามารถรับใช้ความอยากของเราได้เราก็มีแต่ความทุกข์ทรมานใจจนไม่อยากจะอยู่ต่อไปอต้องเห็นปัญญาต้องเห็นด้วยเห็นเห็นโทษของการทำความอยากว่ามันจะต้องไปเจอความทุกข์เข้าไม่ช้าก็เร็วเพราะจะต้องสูญเสียสิ่งที่เราได้มาหรือ สูญเสียเลยว่าไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายของเรานี้ทำตามความอยากขรได้ถ้าเห็นอย่างนี้ได้เราก็จะได้ไม่ทำตามความอยากแล้วพอเราไม่ทําตามความอยากเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือต่อไปร่างกายไม่สบายเอามาพึ่งอาธ า, าเราก็ไม่เดือดร้อนภรรยายจะทิ้งเราไปเราก็ไม่เดือดร้อน พราเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราไม่ต้องใช้พรรยานะเราตัดความอยากที่จะใช้พรรงยาตัดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะว่าการตัดความอยากได้มันทาให้เรามีความสุขในใจเรานคือความสงบความสบายใจนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องต้องสอนใจต้องเห็นโทษของความอยากต้องเห็นว่าความอยากนี่แหละเป็นสมุทัย เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจทุกตั้งแต่เริ่มต้นเลยพออยากว่ามันก็ทุกข์แล้วยัยงไม่ได้อะไรเลยมันก็ทุกข์แล้วแล้วพอได้มาก็ทุกข์กับการดูแลรักษาสิ่งที่เราได้มาถ้าเรารักเราก็จะหวงจะห่วงแล้วเวลาเขาจากเราไปเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจยแล้วเวลาที่เราต่อสู้กับความอยากเราก็ใช้สมาธิช่วยได้ เวลาเข้าไปในสมาธิความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปแล้วพอออกมาจากสมาธิพอมันอยากใหม่ก็อย่าไปทํามันกลับเข้าไปในสมาธิมาต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากพเราจะเห็นโทษของความอยากเวลาอยากแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันทุกข์มากไม่เชื่อคุณลองฝืนความอยากคุณดูสักครั้งหนึ่งอยากจะได้แล้วแล้วไม่เอา แล้วต่อไปความอยากจะได้สิ่งนั้นมันจะหายไปต่อไปคุณจะเลิกได้แต่ถ้าคุณไม่ไม่ไม่ไม่ดเฟิดไม่มันจะไม่มีวันเลิกได้ถ้าทำตามความอยากเดี๋ยวความอยากนั้นกลับมาคนเราถึงทำไรซ้ำซางอยู่เวยใช่ไห mm. ดูหนังก็ดูซ้ำซากอยู่เลยฟังเพลงก็ฟังซ้ำซากอยากฟังแต่เาไม่ได้ฟังแล้วมันเหงามันเศร้าส้อยองอยเหงาพอได้ฟังแล้วก็ดีใจ แต่เวลาวันมันก็เลยต้องฟังไปเรื่อยๆเพราะาเวลาไม่ได้ฟังเวลาอยากแล้วไม่ได้ฟังมันทุกข์แต่ถ้าคุณลองฝืนดูไม่ไม่ฟังตามความอยากไปเข้าเข้าไปสมาธิแทนต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังไปแล้วคุณก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ความทุกข์ของพวเราไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกมันเกิดจากความอยากของเรานี่อ ไม่ได้เกิดจากเพราะว่าร่างกายแก่เจ็บตายไม่ได้เกิดเพราะว่าเราไม่สามารถหาลูกเสียงกลิ rabbit, ่นล้นมาเสพได้แต่เกิดจากความอยากของเราเพราะเรามีอะไรมากมายกายกองไมหมดเราก็ยังทุกข์อยู่เพราะเราอยากจะให้สิ่งที่เรามีอยู่นี้อยู่กับเราเป็นนานๆมันก็ทุกข์ละเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้มันมันไม่อยู่กับเราเป็นนานๆ มันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปท้าเรียกว่อาอนิจจังไม่เที่ยงไม่ถาวรลาบยศสรรเสริญ ส, สุขรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันไม่ถาวรได้มาแล้วก็หมดไปช้าหรือเร็วนะนเอร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวแก่ลงไปตาก็โมวขึ้นหูก็หนวกขึ้นดูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง มันจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆความสุขที่เรได้จากสิ่งเหล่านี้มันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆความทุกข์ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่มีความอยากที่จะเสพราบยศ เ, เสริรเสริญเสพรูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาไม่มีความอยากนี้ใจมันอิ่มใจมันสุขใจมันสงบใจมันพอมันก็ไม่ต้องเสพอะไร เสพความสงบเสพความสุขของใจที่ไม่มีความอยากนี่ดีที่สุดนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติที่เรียกว่าการชำระจิตใจนี่ภาวนาส ม, มถาภาวนาวิปัสนาภาวนาเพื่อกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วความสุขใจอิ่มใจความพอใจมันจะเกิดขึ้นมาเองความอยากนี้ทําให้ความสุขใจพอใจอิ่มใจหายไป มันไม่ได้เกิดจากการที่เราจะต้องมีนู่นมีนี่ถึงจะทําให้เราสุขใจอิ่มใจอันนั้นเป็นความสุขปลอมความอิ่มปลอมเพราะสุขเดียวเดียวพอได้มาล้านหนึ่งก็สุขเดียวเดียวก็อยากจะได้สิบล้านนะพอได้สิบล้านก็อยากจะได้อีมันสุขเดียวเดียวอิ่มเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็หิวขึ้นมาใหม่เนื่องการใช้ทําให้ใจอิ่มที่แท้จริงไม่ได้ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นการไปทำตามความอยากอยากได้ร้อยล้านก็ไปหาร้อยล้านมาจะคิดว่าจะทำให้อิ่มใจไม่อิ่มแล้พอได้ร้อยล้านแล้เดี๋ยวมันก็หิวอยากจะได้พันล้านวิธีที่จะทําให้ใจอิ่มก็คือต้องไม่ทําตามความอยากทําลายความอยากทุกครั้งที่ความอยากโผล่ขึ้นมาต้องหยุดมันอย่าไปทําตามมันพอความอยากหายไปแล้วใจก็จะอิ่มขึ้นมาทันที เช่นเราก็กลับไปก้าเรานั่งสมาธิเป็นแล้วก็กลับไปในสมาธิหยุดความอยากพอหยุดความอยากใจก็จะอิ่มขึ้นมาไม่ต้องไปกินให้ร่างกายอ้วนกลายเป็นเข้าใจไหมเนี่ยขบวนการสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดสั่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้มาก่อนท่หน้าเถึงเปรียบเทียบการศีลสมาภาวนานเนี่ย ให้ความสำคัญกับภาวนามากที่สุดใช่แต่ถ้าไม่มีศีลไม่มีทางมันก็ไม่มีภาวนาเพราะถ้าคุณยังทําทานไม่ได้แสดงว่าคุณยังยังเสียดายเงินทองคุณยังต้องการใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆอแล้วคนก็จะไปหาเงินทองมามามาซื้อรูปเสียงกิ่นรถมาเที่ยวไปนู่นมานี่คนก็จะไม่มีเวลามาภาวนา คนที่ยังมีเวลาภาวนานี่ต้องทิ้งเงินทองให้หมดเลยเห็นคนที่มาบวชเนี่ยพระที่บวชนี่ไม่มีเงินทองติดตัวมาสักคนหนึ่งหยุดธุรกิจเรื่องหยุดหยุดภารกิจเรื่องการหาเงินหาทองเรื่องการใช้เงินใช้ทองนี่เทวว่าทั่วไปก็ยังไงก็ต้องทาทานก็หัดทาทานทุกครั้งที่ยามเงินไปเที่ยวก็ไปทำบุญแทนทุกครั้งที่ยามเงินไปซื้อของตามความอยากก็ไปทำบุญแทน ต่อไปความอยากเที่ยวก็จะไม่มีความอยากที่จะใช้เงินทำตามความอยากต่างๆก็ไม่มีมันก็จะมีเวลาไปวัดไปนั่งสมาธิไปรักษาศินแปดได้คนที่จะปฏิบัติทําได้นี่ต้องรักษาศินแปดเพราะมันจะได้ตัดไอ้พวกกิจกรรมต่างๆที่ที่มันจะทำให้เราไม่มีเวลามาภาวนาถือศินแปนี้ก็ไปเที่ยวไม่ได้ละ ดูหนังฟังเพลงไม่ได้นอนหลับกับแฟนไม่ได้กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ได้มันก็จะมีเวลาว่างหลังจากเที่ยงวันนี้คุณก็ภาวนาไปได้ตลอดถ้าคุณไม่ถือสีลแปดเดี๋ยวคุณเดี๋ยวถึงเวลาก็อยากจะดูหนังเดี๋ยวถึงเวลาก็อยากจะกินเดี๋ยวถึงเวลาก็อยากจะนอนกับแฟนก็เลยไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาภาวนางนั้นคุณต้องกําจัด สิ่งที่จะทำให้คุณไม่มีเวลาการทำทานนี่ครับกำจัดการใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขซื้อความสุขถ้าคุณไม่ใช้เงินทองคุณก็ไม่ต้องไปทำงานนะใช่ไมไม่ต้องไปหาเงินมาคุณก็ไปบวชได้นะไปบวชคุณก็ถือศีลสิบได้ศีนแปดได้แล้วคุณก็จะเดินจงกลมนั่งสมาธิได้ทั้งวันเข้าใจไหม ยังต้องทําทานก่อนไม่ใช่ว่าพอบอกว่าภาวนานี่ดีก็เลยภาวน า, นานเลยแต่คุณจะเวลาที่ไหนมาภาวนานถ้าคุณยังต้องไปทํามาหากินหาเงินทองพอได้เงินมาคุณก็จะเอาเงินนี้ไปเที่ยวไปซื้อข้าวซื้อของไปกินไปดื่มไปหาความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยงกายคุณก็จะไม่มีเวลามาภาวน า, นานได้มีได้ก็เฉพาะอ่ะวันหนึ่งอาจจะมีสักครึ่งชั่วโมงตื่นขึ้นมาตอนเช้านั่งสมาธิหน่อยก็ได้เท่านั้น แล้วเดี๋ยวพอพอถึงเวลาไปทํางานก็ไปล้ไปหาเงินแล้วพอได้เงินเดือนมาก็ต้องไปใช้เงินเดือนไปเที่ย ว, วมันก็เลยไม่มีเวลาภาวนาอย่างเป็นหลักเป็นเป็นเป็นจิตจาลักษณะทําแบบเป็นมือสมัครเล่นนี้ไม่ใช่เป็นมืออาชีพคนที่จะกำะชํานาใจายศาสตร์บริสุทธิ์ได้นี่ต้องเป็นมืออาชีพต้องเป็นนักภาวนามืออาชีพ ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นพระเพราเป็นพระนี้ก็จะทําให้เราไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นต้องทํานอกจากการภาวนากิจกรรมที่ต้องทําก็เราก็สามารถทําควบคู่กับการภาวนาได้เช่นเวลาบิญทบาตเวลาปัดกวาดเวลาฉันนี่เราก็จเจริญสติควบคู่ไปได้ไม่ต้องใช้ความคิดเราต้องหยุดความคิดการภาวนานี้ขั้นต้นต้องหยุดความคิดเพราะความคิดเป็นเครื่องมือของความอยาก พอคิดถึงขนมก็อยากกินพอคิดถึงภาพยนตร์ก็อยากดูพอคิดถึงเพื่อนก็อยากจะไปหาแต่ถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธไปนี่มันก็จะคิดมันก็จะไม่ได้คิดถึงเพื่อนไม่ได้คิดถึงภาพยนตร์ไม่ดได้คิดถึงขนมความอยากก็ไม่เกิดพอไม่มีความอยากใจก็สงบใจก็เย็นเวลานั่งเฉยๆใจก็จะรวมเป็นสมาธิาเต็มรูปแบบแล้วก็จะมีความสุขมาก เอ็นว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ดีที่สุดแต่เวลาออกมาถ้าเผลอเดี๋ยวก็ไปอยากก็ต้องใช้ปัญญ า, าอย่าทาตามความอยากความอยากนี้เหมือนเห <c oughs> มือนเหมือนงูอสอรพิษให้คิดอย่างนี้ต้องต้องฆ่ามันอย่างเดียวเวลาเจองูเป็นไงเราจะตีงูทันทีใช่ไหมอั <c oughs> ในใดเวลาเจอความอยากนี้ต้องตีมันเลยอย่าไปทำตามความอยาก พอมันจะพาเราไปสู่ความทุกข์พออยากปั๊บนี่มันไม่สบายใจล้วอยู่ไม่เป็นสุขอะแล้วพอไปทําตามมันก็จะทําให้มีความอยากตามมาอยู่เรื่อยๆแล้วพอไม่ได้ทําตามความอยากก็จะทุกข์ขึ้นมาเห็นสู้ไม่ทําตามความอยากยอมทุกข์ตอนนี้ดีกว่าแต่เรามีวิธีแก้ความทุกข์นี้ได้เราทําใจให้สงบสะซะพุทโธพุทโธซะหยุดคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้ ความอยากก็หายไปพอความอยากหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หายไปพอทํานี้ทุกครั้งที่มีความอยากพอต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปเอเนี่ยพระพุทธเจ้าทําอย่างนี้พ ร, พระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านทําอย่างนี้ใจของท่านจริงไม่มีความอยากท่านใช้วิปัสสนากับสมถภาวนาช่วยกันในการจะมีสมถวิปัสสนาได้ก็ต้อง ไม่ทำ ไ, ไ, มไม่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่ไปหาความสุขทางร่างกายไม่ไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้ใช้เงินทองนี้ไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันแล้วก็มาถือศีลแปดเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้มันไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อจะได้มีเวลามาภาวนาได้อย่างเต็มที่ พระที่ท่านหลุดพ้นกันในส่วนใหญ่ท่านเป็นเป็นพระเท่านั้นเนี่ 99% อาจจะมีคารวาดบ้างบางคนที่มีบารมีเก่าเคยเป็นพระมาในอดีตเคยบำเพ็ญเพียรมาแล้วมีสติมีสมาธิแล้วพอมาฟังทำคำสอนพทธเจ้าก็สามารถที่จะรู้เลยว่าต้องกาจัดความอยากก็ฝืนความอยากได้ก็บรรลุได้เลยไม่ต้องบวชก็ได้ พนอย่างนั้นเขามีบารมีมามีพลังจิต ท, ที่จะหยุดความอยากได้แต่มีน้อยแล้วก็ส่วนมากพอพอบรรลุแล้วก็ขอบวชกันทั้งนั้นเพราะไม่รู้จะอยู่กับครอบครัวไปทําไมเพราะครอบครัวเขากับเรามันมีพฤติกรรมคนละด้านอยู่แล้วอยู่ด้วยกันก็เขาก็ไม่เข้าใจเราอยู่ดีเราไปบวช ด, ดีกว่าออยู่ด้วยกันไม่ได้ นี่ก็คือเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่นานๆานจะมีปรากฏมาสักครั้งหนึ่งถ้าไม่มีคำสอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าปัญหาของพวกเราอยู่ที่ความอยากจะคิดว่าความอยากนี้เป็นเพื่อนที่ดีของเราอมันต้องการอะไรานี่รับใช้มันเลยหามาให้มันเลยเวลาได้ก็มีความสุขกันแต่ไม่คิดถึงว่าเวลาไม่ได้เป็นยังไง มีรายยถาอยู่ไหมเดี๋ยวหนังสือซีดีได้ไปแล้วเนะ <Yeah. S 1> ออเดี๋ยวต้องการก็หยิบได้นะเดี๋ยวตอนนี้จะให้พรกันเผืใครอยากจะไปใครอยากจะอยู่ต่อก็อยู่ได้นะเพราะเรายังมีชั่วโมงนึทงทำไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราก็ถ้ า, ถามาคนเยอะๆมันก็สอนลําบาก นพ่านคนส่วนใหญ่เขาคงจะเข้าไม่ถึงทำระดับนี้กันก็คงจะปล่อยให้พวกที่มีความสนใจมาเองดีกว่าพวกนี้เข้าเพียงอยากจะมาทำบุญเขาก็พอแล้วให้มานั่งฟังนี้เขาคงเจเบื่อแล้วที่ก็ไม่สามารถรองรับคนเยอะๆได้ต้องศึกษามาบ้าง อ่าอใออะการก็ติดตามถ่ายทอดสดได้ทุกว mm. ันเนี่ยในเฟซบุ๊กพ่อจางโซชาเออบ่ายสองโมงอ่าบ่ายสองโมงทุกวันเช้าเช้าก็มีแต่บิดาบาทด้วยอ่างัวธนานะทางนี้มีอะไรอยากจะถามไหมอยากจะคุยอะไรก็เชิญนะเป็นมาคุยได้พ่ออาจารย์เราก็ เข้าใจที่เขาเองสงสัยนี่แต่ใจนี้มันเหมืนเป็นเหมือนเครื่องกล้องถ่ายรูปกล้องอัดวีดีโอมันอัดภาพทุกอย่างไว้แล้วมันก็กลับมาปรุงแต่งใหม่มาสลับกันเราเราไปทําใครเข้ามาเวลามันฝันมันมันฝันกลับกันเขากลับมาทําเราถ้าทําได้ดีก็ฝันร้ายถอาทาดีก็ฝันดี อย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าอานิสงของการมีความเมตตาก็คือเวลานอนหลับจะไม่ฝันร้ายตื่นก็มีความสุขหลับก็มีความสุขเพราะเราทำแต่สิ่งที่ดีไ ม, ไม่ฝันก็นก็เป็นได้สองอย่างคือบางที่มันบางทีมันเหนื่อยมันก็ไม่ฝันได้หรือ <Okay. S 2> ว, ว่าถ้าจิตเป็นจิตที่สงบมากเข้าฌานจิตของพระ อรหันจิตของพระอริยนี่ก็จะฝันน้อยหรือแต่เยกมีฝันอยู่ไม่แต่จะไม่มากฝันมากฝันน้อยแต่จะฝันดีพวกนี้ก็จะฝันดีเพราะเขาทําแต่บุญเป็นกรณีที่เราฝันฝันถึงคนที่ใกล้ตายแล้วอะค่ะอันนี้เป็นเพราะความคิดถึงเขาก็ได้ความผูกพันความผูกฝันเองค่ะออมีญาติเสียค่ะใช่คุณพ่อก็ฝันก่อนเขาเสีย ถ้าเรามีความผูกพันกันนี่มันก็จะฝันถึงเขาได้เราไม่เคยเราไม่จะฝันเขาเลยนะแต่ว่าอยู่ดีๆมันมันมันวายเราฝันถึงเขาแต่ไม่รู้อีกงที่เขาเสียไปแล้วอเงี้ยก็มันมีอะไรมันมมีอะไรหลายอย่างที่บางทีเราไม่สามารถที่จะหาสาเหตุได้ก็ไม่เป็นไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติกับความฝันของเราอย่างไรวิธีที่ง่ายที่สุดที่ถูกที่สุดก็คือ ปล่อยวางมันซะมันมาแล้วก็ไปก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรกับมันวิธีที่สองก็คือพิจารณาดูว่าเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ถ้ า, ามาใช้ประโยชน์ได้ก็เอามาเช่มนมาเตือนใจว่าต่อไปเราก็ต้องตายเหมือนเขา mm hmm. เรารีบตรงซะรีบปล่อยร่างกายซะถ้าอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์มันก็เอามาใช้ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันปล่อยมันไปเพาสิ่งที่เรารับรู้นี่มัน มันมีทั้งคุณมีทั้งโทษถ้าเรารู้จักใช้กอ็อาจจะมาทำประโยชน์ได้ถ้าไม่รู้จักใช้ก็อาจจะมาทำโทษกับเรานะเช่นทำให้เราทุกข์กังวลไปเปล่าๆถ้าเราต้องทุกข์ต้องกังวลกับสิ่งที่เราเห็นก็สู้อย่าไปเห็นดีกว่าลืมมันเส้นดีกว่าบ่อยมันไปแต่ถ้ามันทำให้เรามีความสุขก็น<บ>ึกถึงมันบ่อยๆเล้ฝ <laughs> <laughs> ่าที่ต้อง พยา ย, ยามคืออยาอยู่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสักวันหนึ่งเราก็ต้อง เ, เออแบบถ้าเราฝันว่าเรานอนตายเงี้ยมันก็ดีแต่ใจเราจะยอมรับความจริงนี่หรือไม่ถ้าไม่ไม่รับความจริงมันก็จะมีความทุกข์ใจมันก็ไม่อยากจะคิดแต่ถ้าบางคนคิดแล้วโอ้รงได้ว่าต่อไปเราจะต้องเป็นอย่างนี้นะ อ, อแล้วมันใจมันสุขแทนที่มันจะทุกข์มันกลับสุขเพราะว่าอ มันเห็นตัวมัเองตายแล้วมันตัวเองมันไม่ตายคนที่เห็นไม่ตายคนที่ตายมันไม่ได้เป็นเราก็จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เป็นเราเราไม่ได้เป็นร่างกายถ้าเราเป็นร่างกายเราจะไปเห็นร่างกายเราตายได้เองไใช่ไหมนึกว่าเราถอดถอดจิตออกจากร่างกายแล้วเราเห็นร่างกายนอนตายแต่เราไม่ได้คนเห็นจะไปตายได้ไงใช่ไหมคนเห็นก็ไม่ตายก็เราก็ไม่ตายแล้วเราที่อย่างนี้เราก็ไม่กลัวตายต่อ พร้อมที่จะตายไนดะ้ต้องนึกถึงความตายอยู่เรื่อยมีคำถามทางบ้านมาหรื อ, อยังมีมาแล้วครับอ่าถ้าไม่มีใครอยากจะถามอะไรตอนนี้ก็ลอเอาอย่างค่ะคือสมมติว่าถ้ า, ถามีคนที่ที่เขาทำผิดจริงมาเนี่ยสมมติเขาเขารู้ตัวแล้วเขาเขาทำผิดไปข้ออะไรข้ อ, อไล และเขาอยู่และเขาสามารถปฏิบัติไปจนถึงท่านพระสวัสดิบาลหรือ ว, ว่าพระนางาำมันไปแล้วเนี่ยเขาจะจจาววพ้นจากทุกพ้นจากกระบายพ้นจากผลบาปที่เขาทำถ้าเป็นพระสวดาบาลนี้ไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้ายังรับกรรมของเมสิทธที่เขาเคยทํามาก่อนเลยคะ่ะรับจากเฉพาะรรเวลาที่เขามีชีวิตอยู่แม้แต่พระเจ้า ก, ก็ต้องรับกรรมจากวิจากเทวทัต แต่ว่าท่านนี้พยายามจะมาฆ่าท่านถึงสามครั้งเพราะเป็นคู่คู่เวรคู่กรรมกันมาเคยจองเวรจองกรรมกันมาแต่ถ้าพอตายไปแล้วก็ไม่กลับมาเกิดแล้วก็จะไม่มี อ, อไม่มีอะไรจะทําได้เพราะมันต้องมีร่างกายเป็นผู้รับผลของกรรมถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่มีกรรมก็ไม่สามารถที่จะไปคนที่คนที่จองเวรจองกรรมกันเขาก็ไม่มีคนที่จะไปทําร้ายเธไม่ลงไป ไ, ไม่ไปละไม่ไปอ่ถามคำถามได้คำถามจากคุณตะวันการที่เรากำหนดรู้มีสติไม่ส่งจิตออกนอกกายคือทำถูกไหมคะคือการมีสตินี่คือใจเราต้องมีอะไรผูกไว้ทักอย่างหนึ่งเช่นคำบริกรรมพุโทพโธพทโธอันนี้เราก็แสดงว่าเรากำลังเจะเริญนสติ คือการจเจริญสตินี้ก็เพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆทีนี้เราจะใช้พุโทโธก็ได้หรือเราจะใช้การเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ที่เรากำลังทำอะไรอยู่เราก็จดจ่ออยู่กับการกระทำอย่างนั้นเพียงอย่างเดียวไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างสติจเจริญสติเหมือนกันคาถามจากคุณพิมพง์ข้อที่หนึ่ง ในรารวะการให้ทานถ้ามีเ <Ken> ง <la ura> ินร้อยบาทหากค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแล้วเหลือห้าสิบแต่ถ้าไม่กล้าให้ทั้งหมดห้าสิบบาทแบบนี้จะทำให้สีห้าจะบริสุทธิ์ไม่ไม่ได้ใช่ไหมครับก็คือว่าถ้าเราทำทานได้มากเท่าไหร่มันก็จะตัดความโลภอยากได้เงินทองมากขึ้นไปเท่านั้นเมื่อความโลภอยากได้เงินทองมีน้อยความอยากจะทาบาปมันก็จะมีน้อยไป พราะคนที่ทำบาปส่วนใหญ่ก็เพราะความอยากได้เงินทองมากๆง่ายๆเร็วๆก็เลยมักจะทําบาปอย่างน้อยก็ต้องโกหกและไม่พูดความจริงแต่ถ้าคนที่ก็ไม่ต้องการเงินทองมากเขาอยากจะรักษาศีลเขาก็ยอมยอมขาดรายได้เพราะเขาไม่มีความอยากจะมีเงินทองมากเขาต้องการเพียงแต่เงินทองไว้สําหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาเท่านั้นเพราะที่เหลือที่เขาได้มาเขาก็จะเอาไปทําบุญอยู่ดี ใช่งั้นเขาก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาต้องไปทาบาปเพื่อที่จะเอาเงินทองไปทำบุญงั้นอยู่ที่ว่าถ้าเราถ้าเราต้องการเงินทองน้อยเราทำบุญได้มากการอยากจะทำบาปมันก็จะน้อยลงไปตามลำดับข้อสองคารวาถือศีลห้าสามารถปฏิบัติได้ถึงพระโสดาบัน<ม>ใช่ไหมครับคือศีลห้านี้มันก็เป็น เป็นสิ่งที่จะช่วยเราให้ทำใจให้สงบได้ในระดับหนึ่งแต่สู้ศีลแปลดไม่ได้ mm. การที่เราจะเป็นโสดาบันเนี่ยถ้าเราไม่มีบุญเก่ามาเนี่ยมันจะต้องสร้างบุญใหม่ขึ้นมาก่อนเพราะก่อนที่เราจะเข้าสู่วิปัสสนาเพื่อให้บรรลุเป็นโสดาบานดัานไดเนีเราต้องมีสมาธิก่อนถ้าเราไม่มีสมาธินี้ เราก็ต้องรักษาศีลแปดขึ้นไปเราต้องไปเปรีกวิเวกไปหาที่สงบไปหยุดกิจกรรมทางร่างกายเพื่อสร้างสมาธินี้ขึ้นมาเมื่อเรามีสมาธิแล้วเราก็ใช้ปัญญาเจริญวิปัสสนาทำให้เราปล่อยวางร่างกายได้เพราะเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ถ้าเราถ้าเรา ไม่มีสมาธิเราก็จะไม่มีกําลังที่จะปล่อยดัยงนั้นศินห้าหรือศินแปดนี้มันขึ้นอยู่กับอดีตว่าเรามีสมาธิมาหรือไม่มีถ้าเรามีสมาธิมาแล้วนี้จะรักษาศินห้าก็พอจะเรามีปั ส, สนาได้เลยแต่ถ้าไม่มีสมาธินี้สินห้าจะไม่มีกําลังเพราะไม่ไม่มีสมาธิสินห้านี้ไม่สามารถสร้างสมาธิขึ้นมาได้ เราะต้องมีสมาธิสนับสนุนปัญญาถึงจะบรรลุขั้นโสดาบันไดงั้นมันก็มันอยู่ที่ว่าเรามีสมาธิหรือไม่มีบางคนมีสมาธิมาจากชาติก่อนแต่ชาตินี้เขามีภารกิจการงานมีอะไรก็ยังติดความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายอยู่เขาก็รักษาศีลห้าไปเขาก็เขาก็อยู่ได้เขาก็มีความสุข นันมันขึ้นอยู่ว่ามีมีสมาธิหรือไม่มีมีปัญญาหรือไม่มีมากกว่าส่วนศีลนี่ก็ถ้าไม่มีก็ต้องต้องไต่เต้าขึ้นมาจากศีลห้าไปสู่ศีลแปดศีลแปดแล้วจะได้ไปภาวานาไปเจริญสมาธ่าวิปัสสนาได้แล้วมันไม่มีอะไรตายตัวในเรื่องของการที่จะบรรลุคำถามจับโยนโจ้ การขายหวยใต้ดินถือเป็นบาไหมครับมันก็ถ้าถ้าขายโดยที่มันส่งเสริมการเล่นการพนันนี้มันก็เป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสม mm hmm. เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ทําให้คนคนทุกได้คนเดือดร้อนได้เก็คนที่ไม่ทำมาหากินแล้วมาเล่นหวยเนี่ยก็ จ, จะ ยากจนไม่แล้วอาจจะทำให้เขาไปทำบาปเพื่อหาเงินมาเล่นหวยก็ได้มันก็จะถือว่าเป็นไม่ใช่เป็นสัมมาชีพเพราะเป็นอาชีพที่ส่งเสริมให้คนไปทำบาปได้คำถามจากคุณเอา้าลาค่ะเราจะหาประโยชน์จากการเจ็บป่วยด้วยพิจารณาได้อย่างไรเวลาเจ็บป่วยเราจะมีทุกขเวทนา แล้วถ้าเรารู้จักคำว่านิจังทุกขังอนัตตาเราก็พิจารณาเวทนาว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเกิดมีดับ เ, เวลามันเกิดอยู่เราก็ไปสั่งให้มันดับไม่ได้มันเป็นอนัตตามันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราตัวที่ตัวที่ตัวที่เจ็บก็ไม่ใช่เราเราเป็นเพียงผู้รู้ ตัวที่เจ็บก็คือร่างกายแต่ตัวร่างกายมันไม่รู้ว่ามันเจ็บมันก็ไม่เดือดร้อนแต่ตัวที่ไม่เจ็บแต่ไ ป, ไปรับรู้ความเจ็บกลับไปเดือดร้อนแทนร่างกายถ้าเราใช้วิปัสสนาแยกแยะว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปแต่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปทำได้ถ้าเราอยากทุกข์เราก็จะทุกข์ไปเป่าๆ เ, เราก็จะทนกับความทุกข์ไม่ได้ ที่เราทุกข์นี้ไม่ไม่ใช่เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความอยากอยากให้ความอยากหายไปถ้าเราอยากจะให้ความทุกข์หายไปแล้วก็หยุดความอยากทําใจให้นิ่งเฉยๆเป็นอุบเบกขาพุทโธพุทโธไปเวลาเจ็บก็อย่าไปอยากให้มันหายพยายามพุทโธพุทโธไปหรือเวลาทุกข์กับเรื่องอะไรก็เช่นเดียวกันทําใจเฉยๆทุกข์กับคนนั้นคนนี้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอเขาไม่เป็นเราก็ทุกเราถ้าไม่อยากจะทุกเราก็พุทโธพุทโธไปแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะเป็นอะไรก็เป็นไปถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์กับเขา <loo> เร่างกายก็เหมือนกันร่างกายเจ็บเราก็อยากไปอยากให้มันไม่เจ็บปล่อยให้มันเจ็บไปเราพุทโธพุทโธของเราไปทําใจให้เราเฉยแล้ว ใ, ใจใจเราจะไม่ทุกข์นี่คือประโยชน์ที่จะได้รับจากเวลาที่เรามีความทุกข์ ถ้าเรารู้จักใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้ารู้จักใช้สติที่พระเจ้าทรงสอนเราก็จะสามารถฟันฝ่าความทุกข์ต่างๆได้ความทุกข์มันอยู่ที่ใจเราเ<ม>หตุการณ์ต่างๆนี้มันไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์<ม>ใช่ไมเพราะว่าเหตุการณ์ที่ทำให้เราทุกข์คนหนึ่งกับหัวเราะกับยิ้มได้<ม>เป็นอยู่ในเหตุการณ์อันเดียวกันแต่คนนึงร้องไห้คนหนึ่งหัวเราะ เพราะว่าคนที่โเราเขาไม่มีความอยากกับเหตุการณ์นั้นเขาเฉยๆเขาดีใจบางทีได้ตามที่เขาอยากได้คนนั้นคนที่เขาเกลียดตายไปองี้เขาก็ดีใจแต่คนที่เรา <charming> เราไปรักคนเดียวกันเขาตายไปเราก็เสียใจเอราะนั้น <charming. S 1> <afood. S 1> มันเหตุการณ์นั้นเดียวกันแต่คนนึงกลับมีความสุขคนนึงกลังมีความทุกข์เพราะคนหนึ่งได้ได้ได้ได้ตามความอยากอยากใหตายแล้วเขาตายก็เลยดีใจ อีกคนนึงเสียใจเพราะอยากไม่ให้เขาตายง <c oughs> ั้นเวลาทุกข์อยากไปอยาก <c oughs> เฉยๆไว้ <c oughs> พุโทโธ <c oughs> พุโทโธไปทําใจให้นิ่ง <c oughs> เวลามีความทุกข์เกิดอะไรอยาส่งใจไปหาเรื่องนั้นดึงใจกลับมาอยู่กับพุโทโธพุโทโธแล้วสักพักหนึ่งมันก็ลืมเรื่องนั้นไป <c oughs> พอลืมแล้วความอยากก็หายไปแต่มันจะหายไปเพียงชั่วคราว <c oughs> เพราะว่าเราใช้การดึงใจออกจากเหตุการณ์ พอเราหยุดดึงเมื่อไหร่มันก็จะกลับไปคิดถึงเรื่องนั้นทันทีพอไปคิดใหม่มันก็จะทุกข์ใหม่ถ้าจะไม่ไม่ทุกข์เลยถึงแม้ว่าจะไปเจอเหตุการณ์ก็ต้องใช้ปัญญาว่ามันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันปล่อยให้มันเกิดไปอะไรจะตายก็ปล่อยให้มันตายไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอันนี้นะต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ โดยที่ไม่ต้องใช้พุโทโธพุธโทโธช่วยถ้าเราปล่อยวางได้คำถามจากคุณสัญญาเริ่มนั่งสมาธิมาหลายเดือนแล้วมีหลายครั้งที่เริ่มนั่งได้สักครู่เดียวก็เห็นคนที่ไม่รู้จักมากมายเดินไปมาบ้างมองมาที่หนูบ้างและบางครั้งเห็นพระสมห่มจีวรลอยมาอย่างเร็วใส่ตัวแต่ไม่เห็นหน้าพระก็ตกใจหลุดสมาธิ และไม่กล้านั่งต่อเพราะกังวลว่าจะเห็นอีกแม่แน่ใจว่าดีหรือไม่กันแน่ที่เห็นแบบนี้หนูควรทำอย่างไรดีคะเพราะหนูไม่มีสติหนูไม่ได้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพอปล่อยไม่มีอะไรดึงใจไว้ใจมันก็จะไปคิดไปสร้างภาพต่างๆขึ้นมาหลอกเราเองเห็นเวลามีภาพมีอะไรเราต้องรีบกลับมาที่พุโทโธแล้วอย่าไปสนใจกับภาพต่างๆ พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆแเดี๋ยวภาพต่างๆมันก็จะหายไปมันไม่มีอะไรเป็นภาพที่ใจเราปรุงแต่งขึ้นมาเองพระอาจารย์บอกว่าการไม่นอนบนที่นอนจะทําให้นอนแต่พอดีตัวเองนอนบนตั้งไม้ไม่มีอะไรปูเลยแต่ทําไมนอนได้มากกว่าแปดชั่วโมงก็มีแสดงว่ากิเลสหนามากใช่ไหมคะ<ไ>แล้วควรจะแก้อย่างไรดีก็เวลาตื่นขึ้นมา ก็อย่าอย่านอนต่อเวลาตื่นขึ้นมานี่แสดงว่าร่างกายมันพักพอแล้วที่นอนยาวเพราะว่าเรานอนต่อธรรมดาเรานอนทักสีห้าชั่วโมงร่างกายมันก็พอเพียงต่อความต้องการมันก็จะตื่นขึ้นมาแต่เวลาตื่นขึ้นมานี้ถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาเราก็จะนอนต่อมันก็นอนได้แต่นอนทั้งวันทั้งคนืนก็นอนได้เองแต่ว่ามันไม่สบายแต่เราชินกับมันละมันก็เลยนอนได้ คำถามจากคุณนิกกี้ขณะนั่งสมาธิแล้วบางครั้งคิดถึงบางเรื่องจึงกําหนดจิตตามรู้แล้วสักพักหนึ่งจิตวูบแล้วก็นั่งนิ่งไปเลยเป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างนี้ต้องแก้ไขอย่างไรหรือเปล่าครับถ้าจิตวูบแล้วสงบก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรถ้าจิตสงบเป็นสมาธิก็ดีแต่ถ้าวูบหลับไปก็ไม่ดีเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวูบแบบไหน อันนี้มีคนเข้ามาเท่าไหร่หช่วงแรกช่วงแรกไม่ได้ดูเลยช่วงแรกประมาณส<า>ี่ร้อยสี่ร้ยขอพระอาจารย์ครับมีคําถามนึงที่ผมเตรียมมาเตรียมถามหนึ่งที่ผมเตรียมมาครับพระอาจารย์คือก่อนมาเนี่ยมีผู้ปฏิบัติท่านนึ่งอ่ะโทรมาคุยกับผมว่าอ่าผู้ปฏิบัติท่านเนี่ยท่านเขาเป็นแบบคนที่แบบทําเพื่อพุทธศาสนาอย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่ว่าแนวทางที่เขาทําเนี่ยมักชอบทําอ่า ทำเองทำอะไรเงี้ยครับเพื่อความสะดวกแต่ว่ามักจะมีคนเข้ามาอ่ามามากวนอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ได้ถึงขนาดมาขัดขวางอย่างเงี้ยครับแต่มากวนทำให้จิตตกเนี้ยผมก็เลยบอกเขาว่าก็ให้เอาคำหลวตามาใช้ว่าอยากเก่งใจคนเก่งใจแต่ทำแต่ว่าผมอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำเพิ่มเติมจับ เ, เขาด้วยครับอาจารย์ก็เราทาอะไรเราก็ทําเราไป คนอื่นเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปเราเราฟังที่เหตุผลของการพูดของเขาก็แล้วกันว่าถ้าสิ่งที่เขาพูดนั่นเป็นการอาบอกสิ่งที่ดีกับเราแล้วให้เรามาพัฒนาการทำของเราให้มันดีขึ้นเราก็จะเอามาทำก็ได้ไม่เอามาทำก็ได้เป็นสิทธิ์ที่ของเราหรือว่าถ้าเขาพูดแล้วมันทำให้เราท้อแท้ใจ เราก็อยากไปสนใจมันก็เป็นเพียงแต่คำพูดของเขาแต่ถ้าเป็นสิ่งที่มันดีเช่นเขาบอกว่าคุณทำไม่ถูกเงี้ยแล้วมันไม่ถูกเราก็ควรที่จะปรับปรุงแก้ไขไปเราไม่ควรจะมีทิฐิขอให้เราฟังที่เหตุผลว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงถูกหรือไม่ถูกดีหรือไม่ดีเป็นประโยชน์กับเราหรือไม่ ถ้าเป็นประโยชน์เช่นเขาแนะนําว่ า, าทาที่เราทําแบบนี้มันไม่ถูกนะควรจะาทาแบบนี้ถึงจะถูกเราก็เลือกได้เราจะทาตามที่เขาพูดก็ได้เราไม่ทาก็ได้แต่ถ้าทําแล้วมันดีขึ้นเราไม่ทาก็แสดงว่าเรามีทิฏฐิบางทีเราก็ต้องยอมลดละทิฏฐิ เพราะว่าความคิดของเรานี่มันก็ไม่อาจจะไม่ดีเสมอไปหรืออาจจะมีความคิดของผู้อื่นที่ดีกว่าก็ได้เราไม่ควรที่จะยึดติดกับความคิดของเรามากจนเกินไปควรจะทำใจให้กว้างบ้างฟังผู้อื่นบ้างแล้วก็เอาฟังด้วยเหตุด้วยผลเขาจะตำหนิถ้าตำหนิแล้วมันเป็นคุณมีประโยชน์เราก็ควรที่จะขอบคุณเขา แต่ถ้าเขาตำหนิดโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเราก็อย่าไปถือสาเขาไม่ต้องไปฟังเขาให้ฟังฟังด้วยเหตุด้วยผลอย่าฟังด้วยอารมณ์เวลาที่เขาพูดอะไรไม่ถูกใจเราเงี้ยเราเราฟังด้วยอารมณ์เราก็จะรับไม่ได้เราจะโกรธจะเสียใจหรือจะท้อแท้ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราฟังด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยเราจะไม่มีความรู้สึก เราก็ฟังไปถ้าสิ่งที่เขาพูดดีเราก็เอามาทำถ้าสิ่งที่เขาพูดมันไม่ดีเราก็ไม่ต้องเอามาทำก็มีเท่านั้นขอให้ฟังด้วยเหตุด้วยผลอย่าฟังด้วยอารมณ์พระพุทธเจ้านี่สอนให้พระว่ า, ากล่าวตักเตือนกันได้ในวันออกพรรษานี่ท่านจะให้พระ เ, เปิด ตัวเองให้ผู้อื่นให้ภาพรูปอื่นวิภาควิจารณ์ว่ากล่าวตักเตือนได้วันปากติจะเป็นวันลงปฏิโมกฟังศีลสองข้อแต่วันสุดท้ายวันออกพรรษานี้ท่านให้เป็นวันปวารณาคือให้ภาพแต่ละรูปนี้ประกาศตนเองต่อหน้าสง่าขอให้ท่านทั้งหลายช่วยว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าด้วยถ้าสิ่งที่ท่านเห็นก็ดีได้ยินก็ดี สงสัยก็ดีเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควร <sid. S 2> ขอให้ท่านโ ป, นปนรดช่วยเกานาว่ากล่าวตึกต้วยข้าพเจ้าด้วยพระทุกรูปต้องแสดงต้องปวาณา ต, ตัวทุกคนต่อหน้าสงจะมีพรรษาห้าสิบก็ต้องปวาณาตัวต่อสงที่อาจจะมีเทียงแค่หนึ่งพรรษาทุกคนนี้ต้องใจกว้างต้องยินดีเ ป, ض, เปิดเปิดปิดตนเองให้เป็นเป้าให้ผู้อื<ๆ>่น<ๆ>เขาเขายิงได้ เราต้องเป็นซูเปอร์แมนยิงมาเลยใครอยากจะยิงอะไรยิงมาเลยเราฟังด้วยเหตุด้วยผลฮะถ้าสิ่งที่เขาว่ากล่าวตักเตือนมันถูกต้องเราทําผิดเราก็ควรที่จะขอบคุณเขาเพื่อเราจะได้แก้ไขเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเราทําผิดหรือถูกเพราะบางทีเรามีความเห็นเห็นแก่ตัวเรามักจะมองไม่ก็เห็นความผิดของเราความผิดของค น, นอื่นนี่เห็นหมดเลย แต่พอความผิดของเรานี่บางทีมองไม่เห็นก็เลยต้องอาศัยคนอื่นเหมือนกับเราเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวนี่เราต้องมีกระจกใช่ไหมจะได้รู้ว่าเราทาปากเบี้ยวหรือเปล่าเปรอะหรือเปล่าทาคิ้วถูกหรือเปล่านี่ไม่มีกระจ ก, กเราจะไม่รู้อใช่มั้นใดการว่ากล่าวตักเตือนของผู้อื่นในการตำหนิติเตียนของผู้อื่นนี่ก็เป็นเหมือนกระจกสองหน้าเรา เราก็ฟังด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยบางทีสิ่งที่เขาพูดอาจจะไม่ตรงกับความจริงเราก็อย่าไปถือสาเขาเขาอาจจะไม่เข้าใจเราก็ไม่ต้องไปถือสาอะไรเขาหรืออธิบายเขาฟังว่าทำไมเราถึงทาอย่างนี้เพราะเรามีเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้ <c oughs> บางทีเขามองไม่เห็นมองไม่เห็นเหตุผลของเราก็ได้อย่างมีนิทานอยู่เรื่องหนึง่งจะเล่าให้ฟังหลวงตากับผ้าบวชหม่ หลวงตากาบับพระบวชใหมน่นี้ท่านไปตินนิมนต์ข้างนอกขากับท่านต้องเดินกลับวัดนี่ต้องเดินผานลําห้วยอดีช่วงนั้นมีช่วงฝนตกน้ำไหลกระอักอันดี ม, มีมีหญิงชราคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างลาทารนั่งตาหน้าตาซึมเศร้าหลวงตาท่านกระถามเป็นยังไงโออยากจะกลับบ้านแต่กลัวเดี๋ยวเดินข้ามห้วยมันจะล้มจะโดนน้ําซัดไป หลวงตาท่านก็เมตตาอุ้มเลยอุ้มหญิงชรานั้นเดินข้ามค้วยไปเลยพระใหม่นี่เพิ่งศึกษาพระวินัยมาใหม่ๆบอกว่าอ้อพระสงฆ์พระสงฆ์องค์ององเจ้าแต่ต้องผู้หญิงไม่ได้นี่หลวงตาเล่นอุ้มเลยนี่วะก็เลยใจนี่โอ้โหนอนขึ้นมาเลยว่าทําไมหลวงตาสั่งสอนคนอื่นให้รักษาศีล <c oughs> พอถึงเวลาหลวงตางกลับไม่รักษาเลยก็เดินคิดไปในใจเดินตามหลวงตาไปจะ จากเราพ้วยก็เดินไปเรื่อยๆพอไปถึงวัดก็ยังหายสมยังสงสัยยังรู้สึกเครือบแข็งใจในความบริสุทธิ์ของของหลวงตาว่าท่านทําไมถึงทําผิดศีลอย่างนี้ <c oughs> ก็เลยต้องถามว่าหลวงตาทําไมไม่กิดหลวงตาไปไปอุ้มปีกได้ทําไมตัดต้องปีกไม่ได้หรือพระไม่ใช่ <c oughs> หรือหลวงตาบอกว่ากลัวมันไม่ตัดลำพุ่ยแล้วมึงยังแบกมาอยู่คือ เมื่ใจท่านไม่มีใจท่านทำด้วยความเมตตาท่านก็พอทำเสร็จวางแล้วท่านก็ไปแล้วท่านก็ลืมมันไปละไม่มีอารมณ์กับการแตะต้องผู้หญิงคนนั้นละแต่แต่้ตาใหมายนี่ยังมีอารมณ์ค้างอยู่ติดกับยังแบกมันมาใจยังร้อนยังยังคุ้นคุนอยู่อันนี้ก็ อาจจะเป็นการว่าเป็นผู้น้อยว่ากล่าวตักเตือนผู้ใหญ่ถึงมากจะว่าไม่ควรเพราะว่าบาง ท, ทีเราจิตใจของเรากับจิตใจของผู้ใหญ่นี่มันคนลระดับกันอจึงอยู่ท่านอาจจะผิดศีลแต่ท่านมีแต่สิ่งที่ท่านทำนี่มันเป็นธรรมที่สูงกว่าศีล เ, เป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือเช่นสมมติว่ามีผู้หญิงตกน้ําจะจมน้ําตายแล้วพระไหายน้ําช่วยได้จะไม่ไปช่วยเขาเหรอใช่ไหมก็ต้องช่วยล่ะ เพื่อเขาเขาจะได้ไม่จมน้ําตายแต่การกระทําแบบนี้ผิดศีลแบบนี้มันไม่ได้มีเจตนาแฝงอยู่คือการมีการอารมณ์อย่างนี้งั้นบางทีการที่จะดูศีลอย่างเดียวนี้มันบางทีก็ไม่พอป ร, ประกอบหลายอย่างด้วยกันอะถามต่อนะมาคำถามจากคุณฟุ๊กถ้าเราใส่บาตอาหารแบบไหนถือเป็นสังฆทานครับ เพราะส่วนใหญ่คนจะนําถังหรือของมาถวายพระองค์เดียวก็ถือเป็นสังฆทานแล้วถ้าใส่บาตรตอนเช้าพระองค์เดียวถ้าเราจบอธิษฐานว่าเป็นสังฆทานอาหารจะถือเป็นสังฆทานใหม่ครับและจะเหมือนหรือต่างกับใส่บาตรพระสี่องค์ขึ้นไปหรือไม่อย่างไรครับคือทานที่เราถวายพระนี่มีสองแบบสองลักษณะถวายให้ส่วนรวมกับถวายให้บุคคล ถ้าถวายให้บุคคลเราเรียกว่าบุคคลิคทานถวายเจาะจงเช่นไปใส่บาดกับพาะรูปใดรูปหนึ่งของที่้ารูปนั้นได้ก็เป็นของพระไปหมดเลยเพราะเราตั้งใจจะให้พระรูปนั้นฉันของที่เราถวายส่วนการถวายที่เป็นของส่วนรวมนี่ก็คือถวายให้กับวัดถวายให้เป็นสมบัติของพระทุกรูปที่มีอยู่ในวัดเช่นศาลาหลังนี้เวลาสร้างเสร็จไม่ได้ถวายให้เป็นของเรา แต่ถวายให้เป็นของสงฆ์ถ้าอะไรเป็นของสงฆ์ก็เรียกว่าสังฆทานทันี้มันไม่ได้อยู่ที่ของถวายเข้าใจไหมจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งจีวรอะไรต่างๆนี้เป็นสังฆทานก็ได้เป็นบุคคลิกทานก็ได้อยู่ที่ความตั้งใจของเราว่าเราจะถวายให้เป็นสมบัติของใครอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระราชบิดาในวงัง แล้วพระมารดาเลี้ยงก็เตรียมตัดเย็บจีวรเพื่อจะถวายให้กับพระพุทธเจ้าถวายครั้งแรกพค้ชจ้าก็บอกไม่เอาเ อ, อเอาไปถวายสงฆ์ถวายครั้งที่สองบอกไม่เอาเอาไปถวายสงฆ์ครั้งที่สามก็ก็บอกไม่เอาถวายสงฆ์ดีกว่าเพราะสงฆ์นี้จะเป็นผู้สืบทอดศาสนาต่อจากเราถ้าให้เราแล้วสงฆ์ไม่มีผ้าใสา่ก็สงฆ์มัจะเสื่กันไป อาจารย์มันต้องถวารให้ส่วนรวมไพ่ภาครูปอื่นเขาจะได้มีปัจจัยสี่เพื่อที่เขาจะได้อยู่ในพระศาสนาต่อไปได้เพราะศาสนาไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้ารูปเดียวหลังจากที่พระพุทธเจ้าตายไปแล้วก็ต้องมีพระสงฆ์ที่จะมาสืบทอดพระศาสนาต่อไปแล้วถ้าไม่มีใครดูแลพระสงฆ์เลยดูแลแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวพระสงฆ์ก็อยู่ไม่ได้จีวรก็ไม่มีข้าวก็ไม่มีกินก็ต้องสืบกันไปเห็นเวลา ถวายของจึงควรถวายเป็นของสงฆ์อย่างเช่นของธรรมเนียม ว, วัดป่านี้ของทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์เป็นผู้รับนี้ท่านเป็นเพียงแต่ตัวแทนของสงฆ์ในของทุกอย่างที่โยอมมาถวายนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นของเราเราเป็นตัวแทนของสงฆ์เรารับแล้วแล้วก็ให้สงฆ์จัดการไปแบ่งกันใช้เราก็ขอแบ่งบ้างบางส่วนบ า, บางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการใช้แเรวก็เก็บไว้แต่เราไม่เก็บไว้หมดเราไม่คนไม่ที่กุฏิหมดแล้วเป็นของเราหมด เราก็ให้เอาไปเก็บไว้ส่วนกลางของสงพระสงฆ์รูปใดขาดแคลนอะไรก็สามารถที่ไปหยิบใช้ได้อันนี้เรียกว่าสังฆทานนั้นนี่คือวิธีที่ถูกต้องแต่วิธีที่ก็ทํากันแบบนี้มันเป็นแบบสังฆสังฆทานเทียมเช่นอยากจะให้เป็นสังฆทานก็ไปนิมนต์พระสี่รูปมาโดยอ้างว่าสงก็คือพระอย่างน้อยสี่รูปขึ้นไปก็เป็นสงแต่ความจริงมันก็ยังเป็นเป็นสงเทียมอยู่ก็สงะสงจริงๆในวัดมันมีสามสิบสี่สิบรูปอ่ะ ใช่ไหมแต่มันก็ไปแบ่งเป็นกันแค่สี่รูปเท่านั้นเองมันก็ยังเป็นบุขคลิกาทานอยู่นั่นแหละถ้ามันเป็นของสงสงสงจริงก็ต้องไปมอบให้กับกับวัดส่วนกลางถ้ามีห้องเก็บที่ไหนก็ไปเก็บแ ล, แล้วผ้ารูปไหนในวัดต้องการก็ไปหยิบได้ไปใช้ได้งั้นสังฆทานที่แท้จริงก็ต้องแบบวัดป่าเนี่ยไปถึงก็ไปถวายแล้วท่านก็จะอ่ามีผ้ามาเลือกรับรูปเดียวไม่ต้องมีผ้าสี่รูป เราไม่ต้องมีพระทั้งวัดมารับแต่ไมงั้นเดี๋ยวเสียเวล า, พ, าวพระท่านจะไปภาวนากัน mm hmm. เดียวย่าโยงก็จะมาถอยสังฆทาน mm hmm. ก็ต้องตีะระฆังเรียก mm hmm. <laughs> เรียกพระออกมาจากป่ามารับสังฆทาน mm hmm. เดี๋ยวกลับไปภาวนาสักชั่วโมงตีะระฆังอีกแลแสดงว่าจะเป็นสังฆทานหรือไม่อยู่ที่จิตของผู้ให้ว่ามีปัญญาว่าจะรู้แค่ไหนว่าให้ในสังฆชาหรือบุคคลิทธาทานครับก็ต้องรู้จากว่าเวลาที่เขารับเนี่ย mm hmm. เขารับแบบไหนไง ถ้าก็รับแบบบุคคลิกทานเราจะไปเลือกสังฆทานมันก็ไม่เป็นสังฆทา น, น, ยนยอย่างคุณไมคุณไปใส่บาตรผ้าผ้าส่วนใหญ่ในเมืองนี้ก็นน เ, เป็นบุคคลิกทานหมดเพราะบินทบาทอาหารที่เขาได้มาเขากลับไปไปฉันที่กุติคนเดียวเขาไม่ได้มารวมกันที่สาลาอย่างที่วัดยานี่ยมันสังฆทานหมดอ า, อาหารที่เราบินทบาทนี่พอเสร็จก็กลับมากขาใสา่รถรถก็ขนกลับมาที่ที่วัดแล้วเขาก็มาจัดเอาขึ้นมาถวายพระแบ่งกัน อันนี้เรียกว่าสังฆทานแล้วจิตตั้งเป็นสังฆทานไ ม, ไ, ม ไ, ไม่ได้ไม่ได้มันอยู่ที่ผู้รับออได้ไงถ้าคุณสร้างศาลาหลังนี้คุณตั้งจิตว่ า, า er. จะถวายให้วัดเนี้คุณไม่ถวายให้เราอย่างนี้ได้อยู่่นผู้ที่มาแจากสร้างโบสถ์นี่ยบอกผมจะสร้างโบสถ์เพื่อถวายให้วัดผมไม่ได้สร้างให้ถวายให้เจ้าวาดนะอออย่างนี้เขาก็รับรู้กัน อ, อย่างกระินเนี่ยเรียกว่าเป็นสังฆทานผ้าป่าเนี่เป็นสังฆทาน เพราะว่ามันมันกำหนดมันเก่าในตัวเลยเนาขอให้ถวายเป็นสังฆทานแล้วก็เป็นต้องเป็นของของวัดจริงๆริงเงินทองที่ได้รับนี่พระสงฆ์คนรัคนเดียวจะไปแบ่งกันไม่ได้จึงอาจจะมีนิมนต์นพระมาสี่ลูปอย่างเงี้ยแล้วก็ถวายเป็นสังฆทานแล้วถวายเงินล้านนึงพระท่านก็บแบ่งคนละสองแสน้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกก็มันต้องเข้ากองกลางของของวัดกันละเพราะมันเป็นสังฆทานถ้าเอาไปแบ่งกันนี่มันก็เป็นบุคลิกทานไป เงี้อย่างนี้ตอนที่เราถวายของหรือว่าตักบาตรเนี่ยเราก็พูดไปเลยว่าเป็นสังฆทานได้แต่บางทีเขาเขาเขาเขาาไม่เป็นสังฆทาน<อ>เา น, านี่ยเขาเนี่ยตองอยู่ที่ผู้รับผู้รับก็บอกองี้ผมรับไม่ได้ถ้าคุณถวายสังฆทานว่าผมมาในฐานะมผมหาเฉพาะของผมเองผมไม่ได้ไปหาให้วัดเลยก็ไม่เป็นสังฆทานถ้าคุณอยากถวายสังฆทานคุณก็ไปถวายที่วัดเลย บบจากเอาเงินบปๆจากที่วัดเลยที่วัดก็จะมีสํา น, นักงานหรือมีส่วนที่ก็จะรับเงินของของวัดโดยตรงแล้วอันนั้นก็เป็นของวัดไปแต่ถ้าคุณต้องการถวายเราเราก็รับเฉพาะของเราถ้าคุณอยากจะถวายวัดคุณก็มีที่วัดก็มีที่รับอีกที่หนึ่งก็แล้วแต่แต่และ ว, วัดก็จะจัดการการอย่างไรอาจารยนะ่ามจากคุณซีดีทิพย์ ดิฉันเดินจงกรมนั่งสมาธิช่วงตีหนึ่งไปแล้วแล้ววันละสองชั่วโมงและทําวัดเช้าหนึ่งชั่วโมงทําวัดสวดมนต์ช่วงเย็นอีกสองชั่วโมงถือว่าดิฉันปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างก็ปฏิบัติพอสมควรแต่ยังปฏิบัติไม่ไม่เต็มที่เต็มร้อยถ้าเต็มที่เต็มร้อยก็ต้องปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับนะ